ตั้งแต่ตั้งกรุงสุโไทยเนี่ยไม่คิดศรีชะยเพราะยังเป็นปัญหาในด้านประวัติศาสตร์ว่าเป็ น, นอาณากไทยดหรือไม่นะฮะแต่ว่าสำหรับท่านอาจารย์นั้นท่านไม่สงสัยเลยว่ า, นานอาณาจักรศรีชะยนั้นเป็นไทยหรือไม่เป็นไทยนะครับแต่ผมจะเว้นไม่พิจารณ์ในแง่โบราณคดีและประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโไทยนะครับเทศเราได้ติดต่อคบค้ากับจีนมานานจนกระทั่งจีนในไทยเนี่ยเกบเจ้าเหมือนแขนซ้ายแขนขวานะแต่เราไม่เคยยอมรับหรือนับถือ ความมึกลึกทางกุมารยาของจีนเลยเราจะมีคำเรียกจีนเจ็กนี้ความในที่คมขีดด้วยนะเรียกแขกว่าแขกชาวเยาวว่าแขกฟอรูเ้เรื่องเซนเรื่องเตาเ่เกิดเมื่อสามวรรษที่แล้วมานี่ประมาณ3ปีที่แล้วมานี่เร า, าเพิ่งรู้ว่าจีนมีเรื่องกลึกมากกว่าที่เราคิดเราเห็นมหายานเป็นพว ก, กพวกอ่ ซึกํามรงเจแล้ว เ, เราเห็นทั้นี้ครับเพราะเราเกลียดจีนแต่เราคบค้ากับจีนแต่เราไม่ยอมรับจี น, นที่งหนึ่งเมื่อสมัยรัชกาลที่สามนั้นถ้าทีดีขึ้นเพราว่าไม่เหสี่หนึ่งของรัชกาลที่สามตรงเป็นจีนรูปแบบของบทก็เปลี่ยนหน้าบันช<ม>่อฟ้าคันถวยก็หายไปเหลือติดถ้วยโถโอชามที่หน้าบันนะฮะจีนก็เด่นขึ้นคงแปะศิลปินจีนก็เด่นขึ้นในช่วงนั้นท่านผู้ชมรับ บุคคลทีนเข้ามาผสมผสานเป็นเลือดเป็นเนื้อเดียวกับเราเสิแล้วนะครับอย่างผมเนี่เป็นหลานจีนครับแล้วก็ผมเชื่อในห้องนี้ผมว่าเกินที่มีินเชืสาจีนแต่เราไม่เคยเรียนรู้นิติที่ลึกลึกของจีนลึกลึกลึก เ, เ, เก่านอาจารย์เป็นคนแรกนะครับที่แปลพระคัมภีร์ของเซนคําสอนของโปสูตรของเวฬองอย่างเป็นระบบนําเสนออย่างเป็นระบบและแปลอย่างจริงจังครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเซนก็เกษนกษัยในรูปของนิทานตลกขับขันว่าด้วยอาจารย์ขีดสิท ต, ตกน้ําแล้วก็บรุษทมอะไรบางอางเนี้ยเล่าสื่อเป็นความสนุกตลกไม่เป็นระบบครับแล้วแทบจะเอาประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ท่านอาจารย์ได้แปลอย่างกั่นกลองมากนะครับผมคิดว่นยังเป็นคำแปลที่ใช้ได้อีเกเป็นทุกวันนี้แม้ว่าท่านไม่ใช่นักแปลมืออาชีพก็ตามแต่เนื่องจากท่านมีถีชีวิตซึ่ง สอดคล้องกัเป็นไปในกระแสธรรมชาติดังนั้นจะแลเห็นโวหารอัฏฐะที่ซ่อนอยู่ในโมหารนั้นเ็นได้ถ้าท่านไปที่สวนโมกในโรงเขาสมนั้นจะพราบว่าเซนได้ถูกนําเสนอผ่านรูปเขียนกิจกรรมเผาผนังเทีนจํานวนมากจนเป็นที่ตั้งของคำครหานินทาว่าอาจารย์เป็นเซนเป็นมหายานเป็นพุ่มนอกรีดเมื่อสมัยท่านสร้างสวนโมก มาในช่วงหนึ่งแล้วนะครับมาในช่วงกลางมัชฌิ ม, มวัยของส่วนมากนั้นมีสมัญญาซึ่งประนามท่านสายร้ายป้ายสีผมไม่รู้ชื่อมันคนด่านนะแต่ว่าผมจะพูดเตือนคำจำว่าเพื่อที่เราจะไม่ได้ประนามใครง่ายนัก น, นี่ยจากกุฏิทาในทัพพุทธหออันนั้นเขาเรียกท่านอาจารย์ว่ามารศาสนานครับมารพุทธทาสเกิดแล้วเขพูดกันอย่างนั้นนหมครับบุคลิกภาพของพระหนุม ในวัยต้นของชีวิตเมื่อหกทศวรรษก่อนนับตั้งแต่ภุมเรียงกราบเท่าวันสุดท้ายของชีวิตแปรเปลี่ยนไปเสมือนหน้ามือเป็นหลังมือแต่ก็คือมืออันเดิมถ้าทีที่ทจ้องจอบแข็งเกล้ากับคุณค่าวิปริในสังคมนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงลักษณะที่นี้เป็นลักษณะที่ท้าทายตลอด ใครที่ขวัญอ่อนลงไปจต น, นาของท่านแล้วเนี่ยอาจจะลำบากเพราะว่าท่านไม่คลีสผู้คนเหมือนที่ระหวังท่านต้องการที่ทใช้คำว่าผมต้องการกระชากหนังหัวของคนทุกครังเดือนหนาว่าเสียงเหมือนมืนแดงๆถลกหนังหัวมันบอกว่าเราอยู่ในช่วงเฉยนื่งทางวัฒนธรรมทางจริยธรรมทางศาสนาธรรมในทุกทางช่วงเฉยนิ่งสคัญา่าน ก็เราเดินตามผู้นําโดยที่เราไม่รู้อะไรแัร่ในไหลไปทางไหนก็ไปด้วยสังคมไทยอยู่ในลักษณะของถอยไล่ในในลักษณะที่คุ้มเคือก็เพราะว่าบุคคลที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่น่ารักผู้นําของเรานะผมไม่ได้หมายทุกคนนะฮะเมื่อใดจะตามที่ผู้นําในทางติีปัญญาก็ดีในทางการเมืองก็ดีไม่รักมนุษย์แต่มนุษย์ต้องรักเขาเพราะเาเป็นผู้นำ วันนั้นเราจะเบลยครับเราจะคุ้มเครือคือเรานับถือคนที่ไม่น่านับถือเราต้องจยกย่องเท่าทูลคนที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่น่าเท่าทูนังนั้นภาวะของเราสะท้อนออกวรวมๆเป็นภาวะสังคมเป็นภาวะซึ่งสนธยาครับคุ้มเครือไม่ไม่รู้ว่าดีหรือร้ายช่วงนี้ครับที่เราผมเรียกว่าช่วงเฉยนิ่งทางวัฒนธรรมนั่นคือสภาพแปลกแยกระหว่างคนไทยกับวัฒถธรรมไทย เกิดแปลกแยกกันไปคือคนไทยไม่เข้าใจว่าทําแต่เดิมของตัวมันคือช่วงเสื่อยไอ้เป็นช่วงนี้อันตรายมากถ้าหากมีวัตถุทำใหม่กระแทกเข้ามาเราจะเสียหลักสียศูนย์ทันทีเหมือนที่เราทราบว่าหลังปี2500นะครับวิลัยครูวิลัยท้องถิ่นถูกตั้งมันหลายแห่งแล้วก็ในวงการเกษกรรมนั้นในช่วงปฏิวัติเขียวเราได้ค้นประดิษฐ์ทดลอง็นค้นพบ พันข้าวที่เรียกพันข้าวกอขอซึ่งมีกอมี15รวงออกรวงเร็วแล้วเรานำเสนอนี้่ไปโดยใช้เทคนิควิทยาทางด้านไบโอทางด้าน อ, าอะไรหลายๆด้า น, นะครับการทำเช่นนั้นเป็นการทำลายมเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นปอยยางไม่น่าเชื่อเลยครับในทางเศรษฐกรรมนั้นชาวบ้านถูกหลอกล่อให้ขึ่งพันข้าววิทยาศาสตร์ แล้วทอดถึงพันธุ์ข้าวปิ่นแก้วซึ่งเราเคยเรียนมนีความรู้รอบตัวว่าพันธข้าดีเด่ยนยังไครับเพราะมื่อเราไม่ใส่ใจมันมันก็กลายพันธุ์เราไม่รักษามันหน้าที่สําคัญของเกษตรกรคือการสมวนพันธนะุ์นะนัการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในช่วงนั้นและการเผยแพ่ในแผนการพัฒนานั้นได้ทำลายมาเมล็ดพันธุ์ท้องถิน่นซึ่งมีทรงค่านี้ไปอย่างแทบจะหมดสิน้นในทางวิชาช่างนะครับวิวิไลเทคนิคถูกสร้างขึ้นแล้วเนี่ย จึงสร้างขึ้นเพื่อรองรับความเข้าใจความรู้จากวัสดุที่ผลิตจากโรงงานเหล็กกล้าเป็นวัตถะทําเหล็กกล้าแล้วเนี่ยทาให้ช่างชาวบ้านมเมล็ดพันธุ์แห่งความวิยาช่างชินบ้านตกงานนเป็นแถวครับคือภูมิปัญญาท้องถิง่นถูกดูแคลนจากคนรุ่ใหม่ว่าโง่เง่าเต่าตุตนแล้วปู่ย่าตายายซึ่งเคยคลองภูมิปัญญามานานนับศตวรรษนี้นถ่ายทอดกันมานั้นไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรไม่รู้จะอธิบายลูกหลานฟังย่งไรว่า อะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเนี้หาได้รอดพน้นจากขายาณของพระอาจารย์สุนโมกไปไหมครับท่านตัน้นยังเคยเรียกผมไปพบบอกว่าเราเปิดศึกกับเด็กหนุ่มแถวชยาไมไหมท่านใช้คํำนีน้ว่เาเด็กหนุ่มสาวเรื่องหมันเหเรื่องดูแคลนพ่อแม่ผมคิดว่าไม่มีไรน่าเศร้าเท่ากับว่าเราดูถูกดูแคลนบิดามันดาเพาืเ่อให้กำเนิดเรามามาโดยตัวท่านเองนี่เเรื่องหน้าเศร้าสลดมากๆครับ ผมไม่ใช้เวลามานา น, นะครับดังที่ได้เริ่มแต่ต้นว่าด้วยเหตุผลของประการอยากจะพูดในแง่มุมซึ่งเร่งได้ประสบเพื่อสะท้อนออกไปรวมกับที่คนอื่นเห็นและได้ประสบด้วยเพื่อให้เกิดภาพพจน์ภา พ, ภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้นอยากจะพูดในสิ่งอยากพูดประการที่สองก็คือด้วยความะระลึก ถ, ถึงพระคุณของท่านที่ได้มีอาจารย์ไว้ในจิตใจ ก่อนจบผมจะอ่านบทกวีเพื่อเป็นการบูชาท่านด้วยครับที่จริงผมอ่านบทกวีนี้ที่มสวเมื่อสองสัปดาก่อนเสียใจอย่างหนึ่งครับที่แก้ข้อบรรณิชัยของผู้ดําเนินการพิจารณาไม่ทันซึ่งข้ออี่บายว่าผมเป็นอันเทวาสิทธ์ของท่านอาจารย์ก้นกุฏิที่จรงผมไม่ใช่ครับผมใช้ชีวิตช่วงหนึ่งเท่านั้นกับท่าน ที่เล่านี้ก็เล่าตามที่ในช่วงนั้นนั้นส่วนการบอกว่าผมเป็นสิดก้นกุดนี่อาจจะกระทบกระทั่งคนซึ่งเขารู้อะไรที่ดีกับผมมากๆและท่าวาไม่เกิดผนดีครับผมเองด้วยครับมันหมายว่าเขาคนอาจจะหมั่นไส้ผมนุ่งเคร่น ไ, ได้บทวีชื่อพิมาไหลนีครับมิตรสนิทของหมู่เมฆร่างของมหาบุรุษนอนนิ่ง เียงยาวดังหิมาลัยขุนเขาเย็ยนเยือก ด, ด้วยหินมะหยกงามรึกล้ำในมือยามันงดสงัดนี้มีเสียงกระก้องของสำนึกมาแล้วสู่โลกกระทำภารกิจด้วยใจสมัครเตรียมอิสระแม้ปฎิ ญ, ญาณตนเสมอเพียงทาตแห่งพุธธทธชี้นำโชคชะตาตน เยียงเป็นผู้ประกาศทมนอกทาเนียบดุดดังมาป่าเพนโถนร้องเริงมาในท้องทุ่งแห่งยานทัาไม่ปรารถนาขึ้นทรงลาบยศมาเป็นอานและบางเหียนคิดอิสระเพื่อแผ่ฐานทางแห่งพุท ธ, ธอันลกชัดด้วยอยากย่ายแห่งกาลเวลาทดลองความจริงของชีวิตทวนกระแสะโลก บูชาธรรมอุทิศแด่พุทธะพระผู้ทอดร่างเหนือผืนดินแห่งกุศินคราตำนานชีวิตของผู้ประพฤติตนประหลาดในหกทศวัรษที่แล้วมาประชาชนเล่าลือว่าเป็นพระบ้าวิกลจริตบัดนี้พระนอนทอดร่างเหยียดยาวดังมาลายมิสนิทของหมู่เมฆเปิดเผยความจริงแท้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 ปีเดือนผ่านไปยังคงมั่นดังขุนเขาหนักแน่นเสมอแผ่นดินเหินฟ้าพุทธธรรมดังพยาเดยวเริงลมบนร้องประกาศธรรมท้าทายภูมิปัญญาตราบถึงวันนี้วันที่ฝากความทรงจำไว้ในสายลมวันที่อายุไขถึงการล่วงลับวันที่สังขารแตกดับยุบแยกแทรกซึมสู่ที่มา วันแห่งการทอดร่างอยู่อ้อมอกแม่ธรณีวันที่โลกสูญเสียมหาบุรุษพุทธทาสิทยิเพียงฝากใจไปกับสายลมสุฮิมาลัยนิตรนิดของหมู่เมฆอันยืนหยัดท้าทายอยู่ชั่วนิดนิรันดร์มีอะไรไหมครับต้องดังๆเลยนะครับอาจาร ย, ย์เนี่ยเรื่องที่ตั้งแต่ท่ทนีได้อธิบายมา กจะต้งตองใหม่เลยผมไม่ทราบพาาอจะเสนอเรื่องอะไรนเเรื่องความคิดสักเล็กนันั้นใหม่้งการมีความคิดถึงเป็นอะแล้วก็ไปเข้าเาขาก็ได้จรงิงไม่หมายถึงจะให้ผมอธิบายเรื่องนิกายใหม่ที่แนวทางนะครับเป็นที่มานะครับ เ, ออเรารับพุทธศาสนาจากลังกานะครับคำพิหลัซึ่งรวบง อาจารย์นะครับที่ว่าด้วยกันแท้ของพุธทธศาสนาเชื่อคมภีร์วิสุทธิมครคนั้นมีบทบาทครอบงำจูงใจบำรุงวิถีชีวิตของชาวพุทธศรีลังกามานานมากนะครับจนกระท่านพระสงฆ์นี่เชื่อว่าวิสุทธิมรกเนี่ยเป็นกันสารยิ่งกว่าพระไตรปิฎกยิ่งกว่าพระสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหมายถึงเครดิตอันนั้นในวิสุทธิมรได้ดีบ่ายเรื่อง กจตมุบาตหรือที่เรียกปัจจัยาการชนิดข้าม3พส า, พสาชาติที่จริงนั้นในวิสุทธิมรตไม่อธิบายเรื่องชั่วขณะจิตด้วย น, นะฮะแต่ไม่ได้เน้นแต่เป็นเน้นในสามภพสาชาติซึ่งทีตนี้เองท่านอาจารย์ถือกันจุดวิกฤตวิกฤตคุณปัญญาของพุทธเพราะว่าถ้ามันข้าม3ามพสาชาติมั่นก็การสัตติทิฏฐิซึ่งเป็นหนึ่งในนิจฉาทิฏฐิถูกไหมครับ แล้วก็จากจิตนี้เองที่นำไปสู่การพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งนิมิีทั้งนี้ไม่ได้หมายว่าพุทโฆษาจารย์นั้นไม่ได้พูดเรื่องการเกิดชั่วขณะจิตท่านพูดได้เลยะแต่อิกเดียวครับเพราะว่าท่านมันเพียงผู้รวบรวมข้อคิดเรื่องสมัยของท่านนะฮะท่านไม่ได้ใช้อวิธีทางการตีปัญหาให้แตกแต่รวบรวมทุกสิ่งที่มีไว้เพืเ่อรวบรวมให้เป็นทรัพย์สมบัติของอนุชนเท่านั้น จากจุดที่ว่าอาสวะกิเลสเนี่ยดองอยู่ในสันดานข้ามภพข้ามชาติหรือว่าอาสวะกิเลสอาสวะหมายมีความเคยชินที่จะเกิดซึ่งข้อต่างนี้สกาดสกันมากสกาดสกัดมากๆจนกระทั้งว่าจากจุดนี้นำไปสู่การแบ่งแยกในการภาวนาได้เพราะว่าถ้ากิเลสดองสันดานเรื่องนิสัยนั้นติดฝังลึกนอนนิ่งนานเหมือนเชื่อกันนะการปฏิบั ต, ติต้องขัดเกลารขูดเพียง ทำทุกวิธีทางที่จะให้หมดสิ้นแล้วถ้าเหตุอยู่ในชาติก่อนไม่แต่แก้ให้แก้ที่เหตุมันยืนมือินในอดีตชาติไม่ได้ครับถูกไหมมันดูแล้วพิกลอยู่แตไม่ได้ตัดสินนะครับว่าเราจะอ่านสุขวิตผมเล่า ว, ว่าพระอาจารย์มีข้อขัดแย้งอยู่อย่างไรเท่านั้นส่วนการที่เชื่อว่าอนุสัยนั้นเป็นเรื่องแผลดิบซึ่งเคยชินซึ่งที่เกิดเกิดอย่างรวดเร็วการปฏิบัติไปแบบต้องเจริญสตินะครับ พุทธันในการเกิดชนิดนี้เห็นครับดังนั้นผู้ที่ถือกันว่าจิตเดิมแท้เป็นประปัสสอนนะครับบริสุทธิ์ผุดปองอยู่แล้วนะครับกิเลสเป็นอาคัมตุ ก, กะที่จอมาเนองอย่างหนึ่งแต่เชื่อว่าเราเกิดมาแล้วแสนชาติกิเลสดองสันดาลเราต้องเกิดอีกนั้นเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งส่วนตัวงผมถือว่าความเชื่อทั้งสองนี้กลมกลืนกันได้ครับไม่ถือขัดแย้งอย่างรุนแรงนะครับเพราะด้านหนึ่งเหมือนการมอง แบบอุกลาศิษฐานมีคนมีสัตว์คนต้องมีกิเลสนี้การเดินทางไกลเหมือนคนโบราณผูเ้เราเกิดมานี้เพื่อเสริมบา ร, รมีของเราให้เต็มคื อ, อยังมีตัวตนเนี่ยตาอยู่อันนี้เป็นรากฐานของจริยธรรมแบบพุทธครับแต่เมื่อถึงเรื่องบทภาวนาชั้นสูงท่านอาจารย์สุโมกขท่านไม่ยอมครับเหมือนที่เล่าแล้วท่านเป็นคนดื้อวา่าจิตไหนที่อกกริตรแล้วท่านท่านยอมไม่ได้จากจนี้มันจุดนี้เอ ง, เองมันจะนําไปสู่ ถาว่าจะตั้งนิการครับไม่เหมือนกันครับเราจะบอกพุทธศาสนานั้นทุกๆสำนักในประเทศนี้หรือทั่วโลกเหมือนกันไม่จริงฮรแต่ว่าพระท่าบอกพูดว่าโดยสมมติฉับฉาแล้วเหมือนกนันพูดได้ครับพูดได้ไม่ว่าภาวนาแบบพุโทโธก็ดีหรือสัมมาอรหังก็ดีผมคิดว่าเราต้องมีพื้นความเข้าใจอันหนึ่งที่สําคัญมากตรงนี้ว่าบรรดาเทคนิคทั้งหมดที่ทชาวพุทธลุ่นหลังอาจารย์ลุ่นหลังเนื้อ คนคิดขึ้นกระดามเนี่ยป็นสิ่งที่ใช้ช่วยคู่ช่วยยามเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับใดระดับหนึ่เทคนิคทุกชนิดจะต้องถูกยึดถ้ายึดถือไว้เนี่ยอุปมาเหมือนเราหกล้มแขนหักสิ่งแรกที่เราไปหาหมอคือหมอเข้าเสื่อให้ก่อนเพื่อหยุดการขยับยย่อเขยื้อนเพื่อให้ธรรมชาติของร่างกายเนี่ยสมานแล้วมาถึงจุดหนึ่งเมื่อมันเริ่มหายเราต้องมาเสือก่อน ถ้าเราเข้าใจผิเนี้ยคิดว่าเสือกคือส่วนหนึ่งในชีวิตมันจะยืดเลยครับทรนี้แถมเราที่พิการตลอดชาติไปเลยถูกไหมครับจากอุบมานี้ผมเองไม่ได้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวเลยครับผมเห็นว่าถูกทั้งสองครับแต่ว่าถูกคนละระดับสัตสตาทิฏฐินั้นถ้าเราดูในหมวดสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิมีหลายหมวดม้างนะมีหมวดหนึ่งเป็นสัตสตาทั้งหมดเลยจะมงเชื่อบุญมีผลบ่าวมีผลยัญมิกรมมีผลพ่อแม่มีลุงคุณ พระอรหันตมีพระอรหันติสอนให้เราเรื่องนีเป็นเรื่องคนเรื่องสัตบุคคลนึ้นนี่ครับนั่งพระเจ้าร็สอนฮะแต่มาถึงสมาทิตย์ในหมวดชั้นสูงนะ น, นี่ฮะไอ้นี้ไม่ใช่เรื่องสัตบุคคลตัวตนแล้วก็เป็นเรื่องประมัดแล้วครับเพราะฉะนั้นข้อวิวาทะระหว่างผมใช้คำวิวาทะไม่ได้ระหว่างท่านอาจารย์กับหม่อมคฤทนะฮะที่จริงข้างนั้นเนี่ยเล่าแทรกนะครับว่าหลังจากวิวาทะกันแล้วท่านกลับไปทิมชนม่วง แล้วก็เปิดเทปชุดนั้นฟังผนได้ยินท่านทุนพว่าบ้าทั้งคู่ท่านคุดกันท่นหลุด่ากว่าบ้าทั้งคู่แล้วท่านก็หันมาสอนพระที่นั่งบอกว่าพวกคุณไม่ควรจะทะเละาะกันเลยเมื่อพูดมนเรื่องเรื่องอย่างเงี้แบบนแต่ท่านไม่ไม่ทําตามที่ท่านพูดนะครับก่อ น, นั้นท่านทือท่านแต่ว่าคําสอนท่านไอ้ น, นี้เราต้องเข้าใจเนะครับโดยทั่วไปเราตมองเข้าใจว่าคุณต้องทําตามสิ่งที่คุณพูด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 ไม่ดีเลยครับถูกไหมฮะผมผมตอบได้พอเป็นเขาเท่านั้นนะฮะส่วนที่ว่าถ้าจะตั้งนิกายใหม่มันท่านไม่ตั้งนะครับท่านบอกว่าแต่ผมจะไม่ตั้งอผมเชื่อว่ารากฐานของการพูดทั้งเนื่องจากท่านเคารพในบูรพาจารย์ด้วยแล้วก็ถ้าคืนตั้งนิกายใหม่ก็กลายนิกายที่สามถูกไหมฮะเช่นครับท่านต่อไปที่สามเจเ จ, จขอถามว่า ตั้งที่ถ้ามีจริงท่านมีอริยภาพอะไรที่พิเศษกว่าคนปกติต่างัเพราะว่าไม่ว่าหนังสือหนังสือในแนวธรรมะดางเงวงหรือธรรมะกับระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือหลายเรื่องซึ่งความคิดท่างกว้างมากที่จะธรรมะไปอธิบายในแง่มนึงต่างๆแต่ว่าในขณะที่ถ้ามองในแง่มพระตามปตหรือพระส่วนใหญ่วิปปิบัติแล้วท่านก็พูดธรรมะในเงวเอามาประยุกต์ใช้ประชีวประจําวันแต่ว่าผมสงสัยว่า ทำไท่านสามารถยใหญ่เหมือนกับคนที่ได้รับการศึกษาในระบบมหาลัยหรือหรือหรือคนที่ได้รับการศึกษามากแม่เป็นไปได้แต่ว่าจะขอถามว่าถามอาจารย์ว่าในฐานะที่อาจารย์อยูท่างานท่านสมควรนะฮะจะขอถามว่าเป็นชอบอะไรอาจารย์ชอบอ่านหน้าตัวอะไใช้วิธีศึกษาอย่างไร ที่ทําให้ท่านอธิบายอะไรได้กว้างลุ่มลึกแล้วประการสาคัญที่สุดก็คือสืบสารอดีตปัจจุบันแล้วปูทางไปสู่อนาคตได้นะครับมีหลายปัจจัยมากครับความเป็นนักอ่านตัวยงหนึ่งด้วยนะครไม่ได้แอนเนึ่งกันใด น, นะครความใช้ชีวิตแนบสนิทกับธรรมชาติป่าเขา ค, ความที่มีชีวิตติดดินซึ่งคำ ว, ว่าชีวิตติดดินหมายว่าตัดขาดจากความพเพรียญเทวานิชยเป็นเจ้าคุณที่เป็นสมเด็จ ซึ่งสิ่งนั้นจะรบ ก, กวนความรู้สึกของผู้ที่หวังภาวนาเนี่ยเป็นอย่างสูงนี่ยผมคิ่าสิ่งหนึ่งปรากฏการณ์หนึ่งนะครับในประเทศเราคือระบบสมรศักดิ์นี่ไม่มีผลดีเท่าไหร่ต่อวิถีทางของสมณะแต่จะมีผลดีต่อราชสำนักหรือหรือการเมืองในวงกว้างได้จริงๆแล้วสิ่งนี้รบ ก, กวนความรู้สึกมากครับที่ต้องมาแข่งเรื่องศักดิ์เรื่องศีซึ่งเป็นนักบวชแล้วไม่น่าจะมีเนะ่ยในเทระเทดีเจตาบอกว่า อธาธรามภาพหมายถึงบทบูหารจะท่องที่เราในไทรพงเอาอกแหวกย่าคาเนี่ยครจะทำตัวเป็นไม้ผูกคือแบนกับดินเลยเนะี่ยเพราะว่าสมณะต้องเป็นอย่างนั้นเนะี่าาจาร์ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านีน้อย่างต่อเนื่องนับปีลาที่ยาวนานอุโมงค์ท่านนั้นก็เกิดการประสานตัวนขึ้นทั้งประสบการณ์ด้านในเฉพาะตัวนะฮะที่เรื่องการประจักษ์แจ้ง มนตนเองเพราะงั้นท่านเป็นยอดทิ้งพระคัมภีนะครับท่านเป็นนักการศึกษาตัวยงเลยท่านทำมันหมดทุกด้านมีครั้งหนึ่งผมเล่าเรื่องส่วนตัวแทรกนิดนะครับคงอาจจะเป็นข้อมูลเสริมได้หลังจากผมบวชอยู่ประมาณ 4, สามสี่พรรษาผมรู้สึกเบื่อหน่ายจนโม่งนะครับก็คนเริ่มไปไปมหาสูงมากขึ้นผมเองต้องการหลีกเล้นให้มากกว่า น, นั้นไปลาท่านผมพูดง่ายๆจะเข้าป่าให้ลึกไปกว่า น, นั้น ทเตือนคาหนึ่งซึ่งคิดเรามีกาละคุณและผมมากท่านบอกว่าการคุณที่ไดเข้าป่านั้นดีแต่ถ้าความรู้คุณเกิดในป่าคุณจะชักจูงประชาชนเข้าป่าด้วยแต่ถ้าความรู้คุณเกิดในเมืองและความรู้แจ้ ง, งผ้หมูลนะคงจะเป็นประโยชน์คนในเมืองได้พอาจารย์นั้นเข้าป่าในช่วงชิงชัยฤทธิชิตทางปัญญาปีเจ็ดห้านะฮะแต่แล้วท่านค่อยๆเคลื่อนทัพกลับเข้าเมืองฮะ ปรกอบท่านนี้วิทยุเดี๋ยวนี้มันมีทีวีด้วยนะเพื่อสื่อข่าวาต่างๆช่วงที่ฉรวดดาวเทียมถูกดินทั้งแรกถ้านอาจารรับข่าวโดยตรงเลยท่านผู้ชมโทรทัศน์ดูดูไปแล้วนะครไม่ไม่น้าที่จะประสานกันได้อย่างแน่นแน่นระหว่างพระป่ากับเทคโนโลยีแต่ท่านอาจารย์ประสา น, นได้อย่างดีเนี่ยแล้กัน ข้หนึ่งท่านบอกว่าผมไม่ใช่อัดเสืยะภาพอะไรสมองผมไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นแต่ประการแรกคือผมมีชีวิตมีเวลาว่างมากมายอย่างใดกองนะฮะแล้วก็ขยันขันแข็งนะครับต่อเนื่องที่ผมเห็นท่านเดินยมกลมเพื่อแปลสับสับเดียงเป็นชั่วโมงนะครับเดินกลับไปกลับมาเพื่อจะหาคำแปลที่เหมาะแม่นที่สุดซึ่งนักแปลทั่วไปเขาไม่สนใจในรงดับนั้นนะฮะัยความรู้ทางภาษาไวยากร์อะไรแปลเลย โดยไม่เจาะแทงสู่อัตถะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาษาเหมือนภาษานี่มันเปิดเผยความจริงลุ่มลึกไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยภาษาเป็นบทเพลงชี้ไปเหมือนที่เซนบอกว่ามันนี้วทีีที่ประจันนะครับใครสนใจที่นิ้มันก็เลยไม่ได้ดูของจริงอาจารย์ท่านใช้รู้อย่างระมัดระวังและเล่าข้อตั้งนิสัยที่หมาะที่ชี้ที่ประจันแล้วก็เป็นเสมออย่าให้ยึดติดในคําพูดอย่ายึดติดในครูบาอาจารย์อย่ายึดติด ในเมืองในป่าในอะไรทั้งนั้นนะครับผมคุตอบแล้วนะครับว่าปัจจัยที่ทําให้แนวคิดหรือสิ่งอย่างท่านแทรกเข้าไปในทุกสนามของของวิชาการนะครับเนื่องจากท่านอ่านมากปฏิบัติมากอยู่ใกล้ธรรมชาติมากแล้วก็สาขากับนักคิดมากครับนักคิดทั้งหลายก็ไปหาท่านก็เกิดการโต้แย้งโต้เถียงกันผมเชื่อว่าท่านเรียนด้วยครับ เรียนรู้จากคำถามคำตอบนั่นเองหลายครั้งที่ทานแสดงการขอขอมาที่ประชุมเ น, นในโอกาสวันเกิดที่เรียกวันรออายุผลหนึ่งผมจำได้แม่นผมยังเป็นนักบวชอยู่ท่านประกาศถอนคำพูดที่เชื่อมาทั้งหมดเช่นหนึ่งจำได้ว่าผมไม่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยอีกแล้วก่อนหน้านั้นท่านเหม็นปรชาวิปตยใหญ่เนะแต่ตมาเื่อว่าเมื่อไม่มีธรรมะประาไตายนเลวสามภา เอาเสีงมหาชมันใหญ่เนื้่ประกอบได้ทำแล้วก็ฉะนั้นท่านขอถอนคำพูดในปีพรษานั้นครับและยังมีหลายข้อทเดียๆนะะที่ท่านท่านขอถอนคำพูดแสดงท่านเรียนท่านมีพัฒนาการนะครับพอใจไหมครับตอบท่า น, นขอบคุณครับเจ้าขอถามอีกนิดนึงครับว่าตอนที่จางอยู่กับท่านเราจะขอจําแนกเวลาที่ท่านใช้ใช้ในแต่ลวั น, เ ป, นเป็นแบบว่าเป็นประจํารอเ่าใช่ว่ากี่ชั่วมองใช้ในการอ่านหนังสือ ไ, ได้นะคนที่ตอบแทนได้จริงน่าจะเป็นท่านอาจารย์โภนะครับอยู่ใกล้ตลอดเวลาตลอดเวลาว่าท่านหลับแต่ผมเคเห็นท่านนั่นอหนังสือก็หลับที่จีนบันไดขึ้นห้องขุดชั้นบนแล้วหลับตาารงชั้นหลายครั้งมากครับแล้วก็ไม่คนน่อยไหนท่านอ่านหนังสือแปลตำราท่านเป็นพระเลวงานที่เรียกมางานกรรมกรเลยนะฮะสมัยช่วงที่ผมเข้าไใหม่ๆนั้นเป็นช่วงบุกเบิรกคือช่วงสร้างโงารงมหาลสงคาอาจารย์ก็เป็นกุฎีคนหนึ่ง ตอนผมวาดรูปท่านมานั่งตีกรอบให้ด้วยนะฮะคือคือท่านดูเวลามากดังนั้นความที่สอนคนอื่นโดยจะเอาตัวเองเข้าทดลองผมคิดว่านี่เป็นอุปการะใหญ่นะปกติคนเราง่ายที่สอนคนอื่นแล้วคนอื่นจะรับผิดชอบต่อคําสอนหรือไม่มันอีกเรื่องเลงสําหรับท่านอาจารย์เม่สอนใครแล้วเนี่ยท่านมีประสบการณ์รองรับยกเว้นเรื่องไอ้ไอ้ถังกินเนนที่เล่าเนี่ยแล้วก็แล้วท่านจะสืบต่อ สมมติถสอนใครเหนึ่อ ง, องเรื่อใดแล้วนี่จะติดพันครับติดพันอย่างผมเองถูกเนี่ยให้ปั้นเอปั้นขยายโอโลยเตสวนเนีกล่าวได้นะครับว่าโอโลยเตสวนองค์นั้นได้กลายเนมิตรติดตาติดใจผมไปตลอดจนกระทั่งบัณฑ์ครับไปที่ไหนเห็นเขาก็เน้นแต่เรื่องนี้นะครับเพราะว่าท่ามาตรวจงานที่ไหนท่านก็เน้นเลยว่าเออคุณทําอันนี้คุณต้องเป็นอันนี้บนเสียงของโอรโรยเตสวนมีดินแล้ว ยากขึ้นเห็นไหมคนที่ไปสวนโมกก็จะเห็นนันไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮผมปลูกขึ้นเองเพราะเพราะท่านบอกผมว่าถ้าเป็นโอโลเจสวนจ ร, จริงต้องติดดินได้สามารถทุนหญ้าไว้บนหัวได้ผมก็เลยนํามาเป็นสัญลักษณ์นะครับท้าเรา Man, ไปวัดโคลแมนนะครับเราจะพบว่าเอาโลเจสวนอยู่ในรูปของคนตะพุ่งหญ้าช้างครับเมือ่อเมื่อเราเห็นภาพวาดจะค่ะ้สูงศักแต่ผมคิดว่าโอาโลเจสวน อาจจะขายแถกวกล้วยก็ได้ครับคงเข้าใจในสิ่งนงายนะเอ่อไม่ควรที่มองธรรมะผ่านทางอาชีพสูงๆนะครับธรรมะอาจจะปรากฏกับอาชีพต่ำๆข้ามถนนกว่าถนนกับใครเมื่อไหรก็ได้ครับแต่ถ้า ม, มองว่าคนมีธรรมะสูงตง้องมีเงินรายได้สูงด้วยนี่มีสัออกอุงนเกียตมีรถผมก็คิดว่านม่าจะมองพลาดไป